าการสั่งสอนเผยแผ่การสั่งสอนเผยแผ่นับเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายแก่พระสงฆ์สาวกให้ช่วยกันปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรกก่อตั้งพระพุทธศาสนา เพราะเป็นหน้าที่ที่จะสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกหรือกล่าวอย่างรวมๆก็คือเป็นหน้าที่เพื่อการอนุเคราะห์โลกดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดมีพระสงฆ์สาวกที่เป็นพระอาหารหันต์ชุดแรกขึ้น60รูปหลังจากพระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนาเพียงห้าเดือนพระพุทธองค์ก็ส่งส่งพระสงฆ์สาวกชุดแรกนั้นออกไปประกาศพระศาสนาหรือสั่งสอนเผยแผ่พระศาสนาทันที โดยตรัสบอกถึงวัตถุประสงค์ของการออกไปสั่งสอนเผยแผ่แก่พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นว่าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลักษณะการสั่งสอนของพระพุทธศาสนานั้นเป็นการเผยแผ่คือนำความจริงมาเปิดมาแสดงให้ผู้ฟังเห็นตามที่เป็นจริงฉะนั้น การสั่งสอนของพระพุทธศาสนาตามหลักการที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้จึงม่ได้มุ่งให้ผู้ฟังเชื่อตามแต่มุ่งให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สอนอย่างถูกต้องตามเป็นจริงส่วนผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเขาเองหากเขาพิจารณาไตรตรองจนเห็นจริงเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งที่สอนเขาก็ย่อมจะเชื่อเอง และนำไปใช้นำไปปฏิบัติเองโดยที่ผู้สอนไม่จำต้องบังคับขู่เข็นบุรพาจาร์ทางพระพุทธศาสนาของไทยซึ่งเข้าใจในหลักการสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี <c oughs> เมื่อพูดถึงการสั่งสอนพระพุทธศาสนาหรือการประกาศพระพุทธศาสนาท่านจึงใช้คำว่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นองค์การเผยแผ่นักเผยแผ่เป็นต้น ท่านไม่ใช้คําว่าเผยแพร่ซึ่งมีความหมายเหมือนกับการแพร่ระบาดของโรคฉะนั้นเรื่องนี้จึงน่าทําความเข้าใจไว้ก่อนแต่เบื้องต้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงทําหน้าที่ด้านการสั่งสอนเผยแพร่อย่างกว้างขวางการสั่งสอนเผยแพ่ที่นับว่าเป็นภารกิจประจําก็คือการอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรในฐานะที่ทรงเป็นพระอุปัชฌาอาจารย์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษาดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นการเทศนาสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิ ก, กชนในวันธรรมสวนะดิหรือวันพระและในโอกาสต่างๆดังกล่าวแล้วเช่นกันนอกจากที่กล่าวแล้วการสั่งสอนเผยแพ่อีกลักษณะหนึ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จขณะทรงดารงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสพ ได้ทรงดำริจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารก็คือการแสดงธรรมะหรือว่าเทศแก่ชาวต่างประเทศในวันอาทิตย์โดยเริ่มขึ้นเมื่อต้นปีพุทธศักราช2512ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารและส่งมอบให้พระที่จบการฝึกอบรมจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศบ้างพระชาวต่างประเทศที่จาพรรษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารบ้าง ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้แสดงธรรมปรากฏว่าชาวต่างประเทศและชาวไทยให้ความสนใจมาร่วมฟังธรรมะกันคราวละมากๆแต่กิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ไม่นานก็เลิกลาไปเพราะขาดแคลนพระสงฆ์ไทยที่ชำนาญภาษาอังกฤษถึงขั้นสามารถแสดงธรรมะแก่ชาวต่างประเทศได้ แต่พระดําริในเรื่องการสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศผู้สนใจของเจ้าพระคุณสมเด็จไม่ได้พลอยเหืดหายไปด้วยถึงปีพุทธศักราช 2,514 เจ้าพระคุณสมเด็จได้ทรงฟื้นกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยทรงสอนด้วยพระองค์เองเนื่องจากในระยะนี้มีชาวต่างประเทศทั้งยุโรปอเมริกาและเอเชียเข้ามาบรรพชาอุปสมบท เพื่อศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งมีชาวต่างประเทศที่เป็นขฤรือหัดแสดงความสนใจที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องการฝึกปฏิบัติสมาธิการรมฐานเพิ่มมากขึ้นบางคนก็มาขอสนทนาศึกษาด้วยเป็นการส่วนตัวเช่นนางโยเซฟินสแตนตันภรรยาอดีต เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยซึ่งเริ่มมาศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเพื่อสนองกุศ ล, ลเจตนาของผู้สนใจเจ้าประคุณสมเด็จจึงจัดให้มีธรรมะคลาสขึ้นที่กุฏิที่พมักของพระองค์เองคือที่ห้องหน้ามุขชั้นล่างของตาหนักคอยท่าปรามโมทในบัดนี้ ธรรมะคลาสที่เจ้าประคุณสมเด็จจัดขึ้นนี้มีชาวต่างประเทศทั้งที่เป็นพระและคารื้อหัมาร่วมฟังเจ้าประคุณสมเด็จทรงสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองโดยมีพระชาวต่างประเทศช่วยบ้างเป็นลักษณะการบรรยายและซักถามและฝึกนั่งสมาธิในการสอนแต่ละครั้งเจ้าประคุณสมเด็จได้ทรงเตรียมบทบรรยายประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองทุกครั้ง ซึ่งบทบรรยายดังกล่าวได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเวลาต่อมาด้วยในระยะแรกมีชาวต่างประเทศมาร่วมฟังการสอนไม่มากนักและค่อยเพิ่มจํานวนมากขึ้นจนต้องย้ายที่สอนจากภายในที่พำนักของพระองค์ไปใช้สถานที่ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นพอเพียงแก่ผู้ร่วมฟังการสอนจํานวนมากกิจกรรมนี้ได้ดําเนินต่อเนื่องมาจนถึงปีพุทธศักราชสองพ จึงได้เลิกไปเพราะเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีภารกิจด้านอื่นๆมากขึ้นและขาดพระผู้สามารถที่จะรับช่วงกิจกรรมนี้ต่อไป ในโอกาสที่องค์ดาลไลลามะประมุขแห่งศาสนาจักรของทิเบตสเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2510และได้สเสด็จเยือนวัดบวรนิเวศวิหารด้วยครั้งนั้นองค์ดาลไลลามะทรงปรารภกับเจ้าประคุณสมเด็จซึ่งขณะนั้นทรงดํารงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสภลว่าอยากศึกษาการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแบบเทรวาส เจ้าหน้าที่จัดการรับเสด็จจึงได้จัดให้เจ้าพระคุณสมเด็จถวายคําแนะนําในการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแบบเทราวาสให้แก่องค์ดาลัยลามะตามพระประสงค์ณสําสนักสงฆ์แห่งหนึ่งองค์ดาลัยลามะเสด็จเยือนประเทศไทยหลายครั้งและทุกครั้งได้เสด็จเยือนวัดบรวรนิเวศวิหารและส่งพบปะสนทนากับเจ้าพระคุณสมเด็จ ด, ด้วยจึงส่งคุ้นเคยกับเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นอย่างดี ในการเสด็จประเทศไทยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศกราช2536และประทับแรมที่วัดบรวรนิเวศวิหารคำแรกที่องค์ดาลไลลามะตรัสทักทายเจ้าพระคุณสมเด็จเมื่อส่งพบกันในพระอุโบสถวัดบรวรนิเวศวิหารก็คือพี่ชายคนโตของข้าพเจ้าอันแสดงถึงความเคารพรักที่ทรงมีต่อกันเพียงไร นอกจากการสั่งสอนเผยแผ่อันเป็นกิจกรรมภายในวัดภายในประเทศดังกล่าวแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จยังทรงมีภาระหน้าที่รับผิดชอบกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศอีกหลายด้านนับแต่ทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสภลเป็นต้นมากล่าวคือพุทธศักราช2509 ในฐานะทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมธูตไปต่างประเทศสเสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดพุท ธ, ธปทีบอันเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอังกฤษและในทวีปยุโรปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพในโอกาสเดียวกันนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จได้ดูกิจาการพระธรรมทูตและกิจาการพระศาสนาในประเทศอังกฤษและในประเทศอิอตาลีด้วยพุทธศักราช2510ในฐานะกรรมการมหาเถระสมาคมและประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้ตามเสด็จสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บอุท thai มหาเถระเสด็จเยือนประเทศสีลังกาอย่างเป็นทางการ เพื่อเจริญศาสนาไมตรี 3, และดูกิจการพระศาสนาในประเทศนั้นพุทธศักราช 2,511 ในฐานะประธานสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัยปัจจุบันเรียกว่ามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยโดยอนุมัติของมหาเทราสมาคมได้เสด็จไปดูการพระศาสนาและการศึกษาทางพระพุทธศาสนาณประเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียและฟิลิปปิน์ ผลจากการเดินทางครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆคือในประเทศอินโดนีเซียหัวหน้าชาวพุทธในประเทศนั้นพร้อมด้วยชาวพุทธต่างปลื้มปิติและได้เจรจาขอให้เจ้าประคุณสมเด็จในฐานะประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศช่วยจัดส่งพระธรรมทูตไทยออกไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเทราวาสในประเทศนั้น ในปีต่อมาพุทธศักราชสองพัาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตและกรมการศาสนาจึงได้ดําเนินการจัดส่งพระธรรมทูตไทยสี่รูปออกไปปฏิบัติศาสนากิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียพระธรรมทูตไทยได้ผลัดเปลี่ยนกันไปปฏิบัติศาสนากิจในประเทศอินโดนีเซียหลายชุดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า10ปียังผลให้พระพุทธศาสนาเทรวาท ประดิษฐานมั่นคงขึ้นในประเทศอินโดนีเซียอย่างรวดเร็วกระทั่งปัจจุบันได้มีวัดพระพุทธศาสนาแผ่กระจายไปทั่วประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เคยมีมาเมื่อ500ปีก่อนและมีคณะสงฆ์เทรวาดอินโดนีเซียที่มั่นคงเป็นหลักฐานในระหว่างที่มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสมพลได้เสด็จไปให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2,513 ณมหาเจดีบุโรพุทโธหรือบุโรบูดูเป็นการปลูกสมณวงศแบบสยามวงขึ้นในประเทศอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก และได้เสด็จไปให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรอินโดนีเซียในเวลาต่อมาอีกหลายครั้งเจ้าพระคุณสมเด็จจึงทรงเป็นผู้ก่อกำเนิดสมณะวงหรือคณะสงฆ์เทรวาดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียยุค ป, ปัจจุบันในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาและใส่ใจพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจานวนมาก ชาพุทธในประเทศนั้นแสดงความประสงค์ใคร่มีวัดและพระสงค์ในพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนั้นและได้ขอให้เจ้าประคุณสมเด็จช่วยอนุเคราะห์เพื่อให้มีวัดไทยและพระสงฆ์ไทยอยู่สั่งสอนพระพุทธศาสนาในออสเตรเลียเจ้าประคุณสมเด็จในฐานะผู้อำนวยการมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในขณะนั้น จึงทรงให้จัดตั้งสำนักสงฆ์ในความอุปถรัรมภ์ของมูลนิธิมหาบงกุฎราชวิทยาลัยขึ้นที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในปีพุทธศักราช2516พร้อมทั้งได้จัดส่งพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์ชาวต่างประเทศที่บวชศึกษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารออกไปอยู่จำพรรษาเพื่อสั่งสอนพระพุทธศาสนาณสำนักสงฆ์นั้นในปีเดียวกัน สำนักสงฆ์แห่งนี้ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับจนตั้งเป็นวัดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2518และได้รับพระราชทานานามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าว่าวัดพุทธรังสีนับเป็นวัดไทยแห่งแรกในทวีปออสเตรเลียสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดําเนินส่งประกอบพิธีเป็นวัดพุทธรังสีนี้ในปีเดียวกัน จากจุดเริ่มต้นของการเผยแป่พระพุทธศาสนาในออสเตรเลียที่เจ้าประคุณสมเด็จได้ส่งเริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2516ยังผลให้เกิดวัดพระพุทธศาสนาขึ้นในออสเตรเลียและแผ่กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยในเวลาต่อมาปัจจุบันมีวัดไทยและพระสงฆ์ในประเทศออสเตรเลียเป็นจานวนมาก พุทธศักราช2514ในฐานะประธานสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยได้เสด็จไปดูการพระศาสนาและการศึกษาทางพระพุทธศาสนาณนะประเทศปากีสถานประเทศอินเดียและประเทศเนปาลพร้อมทั้งทรงได้รับอนุมัติจากมหาเทระสมาคมให้เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทยไปเยี่ยมคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวปากีสถานตะวันออก ซึ่งปัจจุบันคือประเทศบังคลาเทศซึ่งประสบวาตภัยครั้งใหญ่ในปีนั้นด้วยผลจากการเดินทางครั้งนี้ทำให้ทรงทราบสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆว่ากำลังได้รับการฟื้นฟูและต้องการความช่วยเหลือจากชาวพุทธด้วยกันเป็นอันมากโดยเฉพาะในประเทศเนปาลซึ่งพระพุทธศาสนาได้เสื่อมสูญไปเป็นเวลาหลายร้อยปีและเพิ่งได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เริ่มแต่ปีพุทธศักราช2473เป็นต้นมาจึงมีความต้องการความอนุเคราะห์ร่วมมือในการฟื้นฟูเป็นอันมากเจ้าพระคุณสมเด็จในฐานะประธานสภาการศึกษามหมามกุฏราชวิทยาลัยจึงทรงตอบสนองความต้องการของคณะสงฆ์เนปาลในเวลานั้นโดยทรงดำเนินการให้สภาการศึกษามหมามกุฏราชวิทยาลัยให้ทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรเนป า, าลสองทุน เพื่ออยู่ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นการเริ่มต้นแลวัดบวรนิเวศวิหารรับภิกษุสามเณรทั้งสองรูปให้พำนักอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหารจนจบการศึกษาศา ส, สนาสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนปาลจึงได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นตามลําดับทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในเวลาต่อมาคณะสงฆ์เนปาลก็ได้จัดส่งภิกษุสา ม, มเณรเนปาลเข้ามาอยู่ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันภิกษุสา ม, มเณรเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาแล้วก็กลับไปช่วยกิจการคณะสงฆ์ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศของตนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเจ้าพระคุณสมเด็จจึงทรงเป็นผู้เริ่มสร้างสายสัมพันธ์ ระหว่างคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไทยกับเนปาลขึ้นเป็นครั้งแรกและทรงเป็นผู้นำพลังเกื้อหนุนจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยไปสู่การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศเนปาลตั้งแต่บัดนั้นต่อเนื่องมา จ, จนบัดนี้อย่างไม่ขาดสายนอกจากนี้เจ้าพระคุณสมเด็จคณะสงฆ์ดำรงสมณศักดิ์ ที่สมเด็จพระยาณสังวรยังได้เสด็จไปให้การบรรพชาแก่กุลบุตรชาวเนปาลณนคร ก, ก, กากมันดุครั้งหนึ่งเมื่อพุทธศักราช2528ยซึ่งยังผลให้เกิดความตื่นตัวในการบวชเพื่อศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาและการส่งเสริมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นในหมู่ชาวเนปาลอย่างกว้างขวาง พุทธศักราช2523ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรเสด็จไปดูการพระศาสนาและการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเป็นเวลาหนึ่งเดือนพุทธศักราช2536เจ้าระคุณสมเด็จเสด็จเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบทูลอรัธนาของรัฐบาลจีนเป็นเวลา12วันนับเป็นประมุขแห่งศาสนาจากพระองค์แรกในประวัติศสาสตร์จีนที่รัฐบาลจีนกราบทูลให้เสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการในการเสด็จเยือนจีนครั้งนี้เจ้าพระคุณสมเด็จได้ทรงพบปากกับผู้นำของประเทศผู้นำของมนลนต่างๆที่เสด็จเยือนผู้นำของชาวพุทธในเมืองนั้นๆตลอดถึงเสด็จเยี่ยมเยิยนวัดพระพุทธศาสนา ปักภิกษุสัมมเนนและพุทธศาสนิกชนจํานวนมากพระจารยาวัดของเจ้าประคุณสมเด็จเป็นที่ประทับใจของพุทธศาสนิกชนชาวจีนมากทั้งที่เป็นบรรพชิตและคารืหัดเพราะภาพของพระสงฆ์เช่นเจ้าประคุณสมเด็จนั้นพวกเขาไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยเห็นมาก่อนเลยผลของการเสด็จเยือนจีนของเจ้าประคุณสมเด็จครั้งนั้น ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศจีนขึ้นในหมู่ชาวพุทธจีนเป็นอย่างมาก